สมเนนปูมาศึกษาธรรมบาลีที่วัดสียาง เมืองนครศรีธรรมราชคือเป็นหัวเมืองเมเม 20 ปีบริบูรณ์จึง พิธีอุปสมบทของท่านทํากันในคลองโดย 4 ลํามาผูกขนาน 1 ลําไม้ 1 ลําไม้ 1 ลําไม้ 1 ลําเพื่อ จากนั้นจึงทําการประกอบพิธี เมื่อท่านได้บวชเป็นมุมีราโมแต่สามีดังนั้นชาบ้านยังเรียกท่านว่าสามีราโมจึงเรียกท่านว่าสามีราโมฉะนั้น ซึ่งเมื่อปรึกษากับท่านพระครู จึงรับสุราโมไปด้วยรับสุราโมไปด้วยจากนั้นก็พากันเดิน จนพวกที่อยู่บนเรือคิดว่าเกิดอาถลเพราะไม่เคย พระภิกษุราโมจึงบอกกับนายอินว่าอย่าอาบน้ำนายอินจึงให้ ได้มีมนต์ท่านไปสรงที่กรุงศรีอยุธยาเหตุนี้ 1893 สภาพภูมิประเทศ อาณาจักรอยุธยาเป็นที่รวบรวมของศิลปะวิทยาการชั้นสูงและเป็นที่เกิด พุทธศักราช 2111 จนเสียกรุงการเวลาต่อมากรุงนองคน 6 แรม 2 ค่ำปี 2127 จากนั้น รวบรวมหัวเมืองๆจนเป็นปึกแผ่นทางศิลปะวัฒนธรรมความ บ่งบอกให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาอันเกิดจากความ เมื่อท่านสามีราโม จากการเวลาที่ผ่านมานี้การเวลาที่ผ่านมานี้สนิทฐานจากคําบอกเล่าและจากหลักฐาน ท่านสมภารวัดแค่ได้ให้ความอนุเคราะห์ท่านเป็นอย่างดีจากนั้นท่าน เอาใจใส่ตามคำสั่งสอนจนสำเร็จพระไตรปิฎกสม